พระธรรมเทศนาแผ่นที่65ลําลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าปัจจัยสี่มีถึงวันตายแต่เป้าหมายคือนิพพาน วันนี้ตาของหลวงพ่อไปทาเมื่อเย็นวันที่17มิถุนาประมาณสองทุ่มยิงเลสิกลอกตาเปลี่ยนเลนตาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่27อาการดีขึ้นเรื่อยๆก็ยังไม่ปกติยังมีแสงแดดมันจ้าเข้าตามากเกินไปทําให้ เหมือนกับมีพยับแดดและยิบะยับถ้ามองตรงๆไปข้างหน้าน่หายแต่ถ้ามองก้มหน้าหรือว่ามองธรรมดาเนี่ยรู้สึกมนแสงพยับแดดที่ออกอยู่ตามข้างๆเนี่ยยังมีอยู่ตลอดแล้วก็หมอเขาให้ยอดตาประมาณสองอาทิตย์ยอดสองหลอดไสหลอดสองอาทิตย์แต่หลอดหนึ่งนยยอดอยู่อีก หนึ่งเดือนเขาให้หยอดหนึ่งเดือนอีกนานอยู่เขาก็คงจะให้รักษาการอักเสบแล้วรักษาน้ำหล่อเลี้ยงน้ําตาไปเรื่อยๆแต่หมอก็บอกว่าเรื่องตาเนี่ยไม่กลัวน้ําจัดล้างน้ําอย่างไงก็ได้ไม่กลัวน้ํ า, าแต่ที่กลัวก็คือน้ําสกปรกน้ําที่มีเชื้อมีเชื้อโรค ก, กลัวอย่างเดียว แต่ถ้าว่าน้้ำสะอาดแล้วไม่มีปัญหาตาไม่กลัวน้ำอั น, นคือหมอเขาแนะนำแต่เราก็ต้องฟังเขาเพราะเขาเป็นหมอถ้ามันบอดมาแล้็เขาผมบอกแล้วไม่ฟังไป จ, จะว่าอีกนะแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆอยู่วันนี้เป็นวันที่ยี่สบเจ็ด มิถุนายนพุทธศักราช2557วันที่29เป็นวันเกิดของหลวงพ่อชาลีวัดป่าภูก้อนท่านจะไม่ไหว้พระ ส, สวดมนต์เย็นท่านจะบิณฑบาตฉันเช้าแล้วก็คงจะทำพิธีลดน้ำรำหัวตามประเพณีของท่านมอันนี้ก็ วันที่29เเป็นวันทำบุญตอนเช้าหลวงพ่อชารีวันเกิดก็คงจะเข้าเจ็ดสิบเหมือนกับหลวงพ่อนะปีเดียวกันพอมาที่แหลหลวงพ่อว่าท่านท่านเกิดก่อนพอเอาเข้าจริงจริงมานับไล่เลียงดูแล้วปีเดียวกันแต่ท่านเกิดเดือนมิถุนาหลวงพ่อเกิดเมษาหลวงพ่อเป็นพี่ อยู่สองเดือนสะในวัดของเราก็ได้ถามพระเมื่อกี้นี้นี่ที่ทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่กรอบกลางเก่ามาช่วยลอกสะของหลวงตาทำมาเกือบเดือนกว่าแล้วมั้งแต่ผลงานก็เป็นที่พอใจเดี๋ยวนี้รถแม็คโคร ท, ที่ทำงานอยู่สี่ตัวมั้ง แล้วก็รถ ด, ดัมใหญ่รถ ด, ดัม10ล้ออีกหคันแล้วก็รถแท็กเตอร์อีกสองที่ทำงานอยู่ทางหลังบัตรของเราลอกสะของหลวงตาที่มันแห้งสมัยก่อนหลวงตาท่านขุดสะให้หมดไปหลายแสนนะท่าหลวงพ่อจำไม่ผิดประมาณ6 0แสน0กแสนกว่ากว่าสะลูกนี่เนื้อที่ประมาณ1ิไรแต่สมัยก่อนมีรถมีแต่รถแท็กเตอร์ไม่มีรถแมคโคร รถมอเตอรโชยังไม่มีของทหารสมนะัยนั้นรุ่นเก่าเก่ามากมีแต่รถแท็กเตอร์ดันจากพื้นขึ้นมาหาฝั่งขนาดนั้นก็ขุดได้ถึง10บไร่ทั้งหมดทั้งปากฝั่งของมันแต่สมัยนั้นขระวาือสะใหญนะ่แต่ไม่มีแหล่งน้ำที่ไหลเข้ามามีแต่แหล่งน้ําในพื้นที่แต่มันเป็นน้ํำซับเป็นน้ําซับไหลออกมาจากพื้นดิน หลวงพ่อเขามั่นใจว่ามันคงไม่แห้งแน่ๆเพราะเป็นน้ำซับน้ำซำไหลออกมาจากพื้นดิ น, นตามปกติมันก็ไหลเป็นทางมาตลอดแต่เนี้เราก็เลยไปขุดสระกันเอาไว้เพื่อให้น้าไหลเข้ามาแต่ก็นกเป็ดลงเป็นพันเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นพันพันสองส0มพันมืดรอบขอบสระสิบไร่เต็มไปหมดหน้าหนาวทุกปีเมื่อขุดเสร็จแล้วนะแต่นีต่อมาก็แห้ง แห้งสองปีเนี่ยนะที่หลวงตาจากไปสะน้ําขาแห้งไปด้วยถ้าหลวงตายังอยู่โคงจะไปกราบเรียนท่านท่านโ ค, คงจะให้รางวันให้ขุดสะอกีกแต่หลวงพ่อเอา้าเราจะถมหรือก็เป็นฝีมือของหลวงตาถ้าจะขุดลึกเราก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันว่าจะอยู่น้ําหรือไม่เพราะน้ำํำซับมันไม่ไหลออกมาแล้วแต่ก็ตกลงใจว่าควรจะขุด ตดตองลงเลยก็เลยขุดลงไปอีกประมาณเกือบสามเมตรประมาณสองเมตรกว่าพื้นของมันนะแต่ดินก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันออกขึ้นมาเลยก็เป็นสะใหญ่ทีเดียวเล ย, เลยถ้าเรายืนอยู่ขอบสะลงไปเป็นเหวเลยนะเป็นสะคิดว่าต่อไปน้ำก็คงจะขังให้นกเป็ดลง แต่ขนาดนี้ขนาดขุดสะนกเป็ดยังบินมาดูอยู่นะหลวงพ่อขุดสะเสร็จแล้วย่างมันมาบินล้อมรอบบินผ่านดูย่งดูสะที่มันเคยลงนั้นก็ไปลงสะอื่นนี่คือที่เราทําแต่หลวงพ่อเขคิดว่าเมื่อทหารขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะระดมกันนะนะใครคิดได้ไม้อะไร แต่หลวงพ่อก็คิดว่าไม้ประดูมักข่าไม้สักอันนี้ก็คือไม้ยืนต้นปลูกห่างๆคงจะมีต้นปรามที่เป็นลูกเพราะว่าเห็นเม่อกรอกกระแตพวกเล็งมันก็ชอบกินลูกปรามด้วยแล้วก็พร้อมกันกับปลูกพวกหมักว่าจมพู่พวกฝรังมักซีดาเนี่ยสลับกันไป ด้วยแล้วก็พร้อมกันพื้นก็ควรจะมีตะไคร์เนี่ทั้งตะไคร้ปลูกเพื่อกันดินมันสไลด์ดินมันไหลแล้วก็ควรจะปลูกข้าวด้วยถ้าเป็นไปได้นะปลูกข้าวเพื่อกันดินไม่ให้มันไหลไหลลงไปสู่สระกันกันกันกันไว้ก่อนอย่างน้อยก็เวลาฝนตกมามาื่อกล่ากข้าวมันก็ยังเกาะดินเอาไว้ถึงจะโปรงไปเป็นบางส่วน ต่ไปมันพอมีหญ้าคุมแล้วก็มันก็หมดแหละถ้าเราไม่รักษาเอาไว้เวลาฝนตกทะเลทลายลงมาดินมันไหลลงไปหายสาทั้งที่มันสะมันจะลึกดินมันก็ลงไปถมพื้นอีกเหมือนกับเราพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลรักษามันดูดูมันก็คงจะไม่ถูกต้องหลวงพ่อว่าพวกเราควรจะรักษา ช่วยกันดูแลอันนี้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนที่เขามาทําให้ก็คือเพื่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นช่วยๆกันคิดนะีใครเห็นต้นไม้ปลกขนนมะม่วงอะไรที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ปลูกห่างๆเอาไว้แต่จะปลูกแต่พวก ไม้ใช้งานปะดูมะ่าตะเคียนทองไม้สักยังไงมันก็ไม่มีอาหารของสัตว์เควรจะมีอาหารของสัตว์ด้วยพวกลิงข้างบางชนีก็รอกกระแตก็พึ่งพาอาศัยวัดของเราอยู่กควรจะมีไม้หมู่นั้นผสมผสานกันบ้างเพื่อเลี้ยงสัตว์ภายในวัดของเรา เราต้องคิดแบบบูรณ า, าการอย่างที่ว่านะ เ, เราจะไปคิดมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้จะจะไปเลี้ยงแต่สัตว์อย่างเดียวก็ไม่ได้ต่อไปออพวกต้นไม้ที่แข็งแรงก็ไม่มีที่จะใช้งานควรจะสลับกันเนื้อที่ขอบสระน้ำตั้งสิบไร่ไม่ใช่ธรรมดานะดูอีกคนละฝั่งนะจุดลูกหูลูกตานะี หลวงพ่อไปเห็นนะโอ้ไม่ใช่แคบๆคงจะลงได้ไม้เป็นหลายหมื่นต้นนะถ้าปลูกทีๆนะปลูกให้ได้จังหวะดีๆนะอันนี้กขขอฝากไว้กับพวกเราทุกคนนะช่วยๆกันคิดครูบาทั้งหลายด้วยตลอดถึงคณะกรรทการญาติโยมด้วยไม้อันไหนที่จะเกิดประโยชน์ในสระใหม่ของพวกเรานะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงจวนจะเข้าพรรษาคงทางในครัวก็ให้ดูๆนะช่วยๆกันดูขาดเลืออะไรที่จะนำมาใช้ในครัวของเราไปช่วยๆกันคิดเพระวัดของเรามันใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆผู้คนก็มาเกี่ยวข้องอย่างพวกเราเห็นนั่นแหนะหลวงพ่อก็มีแต่นับวันได้เท่าแก่ชลาไปเรื่อยๆหลวงพ่อนะ่ะ ไม่หนุ่มนัน่นเหมือนแต่ก่อนน่ะความคิดมันก็ล้าไปเรื่อยเหมือนกันน่ะสมองมันก็เออเลิกไปเรื่อยเหมือนกันแต่ความละเอียดละเอียดขึ้นแต่ว่าความว่องไวน่ะมันคิดช้าแหละเป็นธรรมชาติของมนุษย์ชาติเราก็ต้องรู้ต่อไปก็คงจะปล่อยวางไปเรื่อยๆเพอเหตุไรพอมันแก่ผลที่สุด ก, ก็ต้องทิ้ง เพราะอะไรเพราะมันตายนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้อยู่ตลอดไม่ใช่ว่าเราจะอยู่โชว์ฟ้านถ่งสลายบริหารจัดการเอามันเอามันเอามั น, มนไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องคิดสักวันหนึ่งควรจะปล่อยวางยังไงควรจะถอยอยังไงถอยให้มีจังหวะยังไงถ้าถอยแบบพวดพาดไม่มีมวยซะเลย พอมันเจ๊งขึ้นมาเจนี่ตัวเองก็ยังไม่ตาย เ, เบิดดูดูแลกดระเบียบแะเนรแลนาดไม่รู้อะไรตัวพี่อะไรลูกน้องทะเลาะเ่าะแวงกันสฉลบวนวุ่นวายไปหมดตัวเองก็มีแต่ลืมตาแผลบแผล บ, บ, บอยูน่ น, น, นี่ก็เหมือนกันะพ่อแม่ก็เหมือนกันตระกูลของเราควรจะถอยอยังไงควรจะวางมืออย่างไรก็ต้องมีการวางมืออีกเหมือนกัน ไม่เช่ว่าตัวเองยังไม่ตายสมบัติหมดแล้วผลในสุดนั่นนะทั้งที่หามาได้เพื่อจะดูแลเมื่อเท่าแกชรานะกลับหมดไปก่อนนะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมเรื่องปัจจัยสี่มันก็จําเป็นจะต้องได้ใช้เมื่อคราวจําเป็นแต่ก็ไม่ให้หนักหนาไม่ได้ถือว่าเป็นสระนางคัตฉามิ แต่ทึงยังไงก็จำเป็นได้ใช้ให้ดูแลพระลูกผ้าหลานศรัทธาญาติโยมบริวารอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราเป็นธรรมนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นก็สอนธรรมธรรมคือหลักเหตุผลอย่าไปดานทูลังอย่าไปใช้ติดฐิมานะในทางที่ไม่ถูกต้องให้ฟัง เ, เวลาพูดกันเหมือนกันองค์ไหนพูดขึ้นมาต้องฟังซะก่อนจะไปถกเถียงกันเพราะองค์นั้นพูดยังไม่จบพอพูดจบแล้วเอาจุดพูดมานานแล้วอ้างเหตุผลให้ฟังแล้วหยุด เ, เดี๋ยวองค์นั้นพูดถ้าว่าพูดทุกองแล้วใครมีเหตุผลกว่ากันนั่นแหละไม่ใช่ว่า พูดมาก็แยกกันพูดเหมือนกับขี้เล่าพูดกันนะหลวงพ่อเห็นนะลวงพ่อโอ้เบื่อจริงๆริเอีบางทีเข้าไปไปชุมใครไม่ฟังใครบางทีหลวงพ่อได้ตบโต๊ะยศจะพึ่งพูดให้องค์นั้นพูดก่อนเนี่ยพวกนัอยุคพวกนักญาพูดเอพูดยังไม่จบเอีหลวงพ่อยางข้ามทับอย่างนั้นนะเวลาหลวงพ่อเข้าไปประชุมพอพูดไปแล้วแต่องค์นั้นพูดวนไปมาเอาละหยุดมันวนแล้วน่ะ แต่ตัวเองไม่รู้แล้วเรือว่ามันวนพูดวนวนไปวนมาล่ะยศเอาองค์อื่นพูดนี่แหละถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันยอมฟังเหตุฟังผลซึ่งกันและกันอย่าไปดันพลังอย่าไปคิดว่าตัวเองฉลาดคนเดียวแต่ความคิดของคนอื่นล่ะเขาก็มีความคิดเหมือนกันเพราะนั้นต่างคนต่างฟังกัน เอาเหตุผลทั้งหลายมารวมกันามาเป็นผนึกเามันก็แข็งแกร่งเพราะอะไรเพราะว่าแนวความคิดมันหลากหลายมารวมกันบริหารจัดการวัดว า, าศาสนาบริหารครอบครัวบริหารประเทศชาติถ้าเป็นธรรมด้วยกันแลเป็นผนึกเป็นธรรมแล้วนั่นแหละสรุปแล้วก็คือความพร้อมเพียงสามัคคีกันนั่นแหะอยู่ในชุมชนกลุ่มใด ชุมชนกลุ่มนั้นมีแต่ความผาสุกแต่แตกแยกสมัคีกันไม่มีฟังใครใครก็ว่าใครเก่งผลในสุดพอมันเจ๊งขึ้นมาต่างคนก็ต่างหนีกันไม่มีใครรับผิดชอบนั่นแหละความเจ๊งที่ไหนถ้าประเทศเจ๊งเคยเห็นมาประเทศเจ๊งประเทศล้มละลายเศรษฐกิจประเทศปีสามสิบเก้าสี่ศูนย์มันขนาดไหน แต่วัดเจ๊งเหมือนกันครอบครัวเจ๊งก็เหมือนกันบริษัทเจ๊งก็เหมือนกันเราก็เคยได้ยินมามากต่อมากแต่ธนาคารเจ๊งเราก็ยังเคยได้ยินฮะธนาคารก็เป็นที่เงินต่างเยอะแยะเจ๊งได้ฮะมันเจ๊งได้ทั้งหมดโลกในโลกอในจังของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นทั้งหลายทั้งปวงเน่ยเราควรจะทํำยังไงผนึกยังไง ยังมีความพร้อมเพียงสมรรถีจุดยืนของเราคืออะไรจุดยืนของพวกเรานั้นคืออะไรเรามุ่งหวังทางโลกใช่ไหมต้องการอยากจะได้หน้าได้ตาได้ยศได้ชื่อได้เสียงอย่างนั้นใช่ไหมต้องการหลับยศชนะเสริญสุขอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นพระกรรมฐานแต่ถึงอย่างไงพวกเราก็ต้องพนึกให้อยู่ได้ให้เป็นกรุงเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ ให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปัจัยสี่ให้เพียงพอให้เป็นไปได้อย่าให้ขาดเตือขาดตกเวลาพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยองค์ไหนเราก็จะได้ช่วยกันดูแลในกลุ่มของเราในวัดของเราในคณะสัทย า, ญญาโยมของเราเนี่แหละอันนี้คือปัจจัยสี่เพียงแค่นี้ละ่ะพอไม่ต้องการร่ารวยอะไรรเพียงแต่ให้ดูแลพระ เน้นให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเราคิดได้เพียงแค่นี้พอไม่ใช่อยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ใช่หาไปเพื่ออะไรถ้าได้มามากาสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ที่อื่นบ้างที่มีความจำเป็นนี่แหละอันนี้ก็คือปัจจัยสี่ส่วนธรรมะทางด้านจิตใจนั่นะจุดนั่นแหะคือจุดใหญ่หรือจุดหลักของพวกเรา อันนี้ปัจจัยสี่เน่ยเพียงแต่ว่าเป็นกองหลังหนุนเราตนเองแต่เราต้องหันหน้าต่อธรรมะจะทํำยังไงใจของเราจรึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนกับนายเรือสมัยเก่าเขาไม่มีเข็มทิศไงเขาไม่มีเข็มทิศเขาไม่มีเครื่องวัดระยะทางไม่เหมือนทุกวันนี้ เขาเดินเรือกลางทะเลเขาจะต้องดูดาวดูพระอาทิตย์ดูดาวว่าประเทศอินเดียเนี่ยถ้าลงจากอ่าวไทยแล้วจะไปทางไหนพอพ้นอ่าวไทยไปแลว้วก็เวิร์ว่างไปหมดเลยมันไม่มีที่เกาะที่หมายหจากนั้นเขาก็น่ไปทางทิศนั้นอินเดียพระอาทิตย์ขึ้นมาจุดนี้เดือนนี้มันตกจุดนั้นเราจะต้องเดินเรือไปในมุมนั้น จากนั้นเขาก็เดินเรือไปประมาณสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนวันหนึ่งเดือนถึงเรือวิ่งไปสิบยี่สิบวันเข้าไปแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นฝั่งเขาก็เลี้ยงกาเอาไว้เลี้ยงกาสองสามตัวไว้จากนั้นเขาก็ปล่อยกาขึ้นไปในท้องฟ้ากามันก็ปีนขึ้นเออ ตัวของมันแหละมันเท่าที่มันจะสูงได้มันจะมองไปข้างหน้าอพอมองไปเห็นฝั่งเท่านั้นแหละกาแทนก็บินไปหาฝั่งทันทีเอพอมันบินเห็นฝั่งะมันมองเห็นฝั่งข้างหน้ามันก็จะหนีออกจากเรือเหมือนกันแต่พอมันบินขึ้นไปสุดท้องฟ้าแล้วมองที่ไหนไม่เห็นที่ไหนแล้วมันไม่รู้จะไปที่ไหนใช่ไหมมันก็ลงมาเกาะ ลงมาหากรงอีกอย่างเก่ามาหาเรืออย่างเก่าแหมเพราะมันไปมันไม่มีที่ไปเพราะมันสุดสายตาของมันพอมันเห็นฝั่งนั้นมันก็ไปนี่แหละอันนี้ก็คือปัจจัยสีก็เหมือนกับเรือที่เราต้องพึ่งพาอาศัยแต่ตัวของพวกเราเนี่จะต้องมองหาทางคือพระนิพานจะถึงยังไงจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เราต้องพยายามบินให้ถึงจุดนั้นให้ได้ฮ จะอยู่ทำไมอยู่ในโลกนี้มีแต่เกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราดูวัดวาศาสนาเรื่องต่างๆที่หลวงพ่อได้พูดขึ้นมาก็เพื่อเป็นเครื่องเกาะเป็นเครื่องอยู่อาศัยในชั่วข่าวให้มันผาสุขในการเป็นอยู่ด้วยการร่วมกันช่วยกันจัดช่วยกันทําช่วยกันดูแล แต่จุดหมายจุดมุ่งหมายของเราก็คือน่นสวรรค์นิพพานนะเราไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่นี่นะถ้าใครมาคิดว่าถึงข้าจะตายเพื่วขอคอให้มาเป็นลิงเป็นข้างบางชนีเป็นกระรอกกระแตอยู่ในวัดหลวงพ่อด้วยเถิครูพ่อคิดว่าคงจะ ม, มีพวกผู้ใดคิดในเรื่องจะมาอยู่อย่างนี้นะพวกเรามีแต่มุ่งนุ่นอย่างน้อยก็สวรรค์นิพพานนะอมมารโลก หรือไปเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีความร่มเย็นเป็นถุกโดยอเนกสงสีอเนกสงทานของพวกเราเน่ยเหมือนกับกาที่มันบินขึ้นดูท้องฟ้ามันเห็นแหล่งที่จะไปมันก็ต้องไม่กลับมาอีก น, นี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมั่นอย่างนั้นนะในแนวความคิดนะต่อเ น, นี้ไปรับพรน้โมอดตรายพร